คำดับนั้นพระมหัตสททรงดำริว่าเราจะทำให้ในายสารถีนั้นเชื่อทรงทำป่าชัดให้บรรลือลั่นด้วยเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาและด้วยวาจาอันก้องกังวาลของพระองค์ mm. เมื่อจะตรัสคาถาบูชามิตรสิบคาถาจึงตรัสว่า mm. หนึ่งบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจากเรือนของตนไปที่ไหนไหน ย่อมมีพักษาหารมากมายคนเป็นอันมากอาศัยบุคคลผู้นั้นเลี้ยงชีพ 2. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันมูชนในที่นั้นนั้นทั้งหมดบูชา 3. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรโจรทั้งหลายไม่ข่มเหงบุคคลผู้นั้น กษัตริย์ก็มิได้ดูหมินบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวง 4. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนโดยมิได้โกรธเคืองใครๆมาได้ความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมก็เป็นผู้สูงสุดของหมู่ญาติ 5. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นคนอื่นก็จกสักการะตนเคารพคนอื่นคนอื่นก็จะเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณ 6. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้รับบูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้รับไหว้ตอบและย่อมถึงยศและเกียรติ 7. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิงย่อมภัโรคดุจเทวดามีสิริประจำตัว 8. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรโคทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่หวานไว้ในนาย่อมงอกงามบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หวานไวเก้า บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นตกเหวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งไม่เป็นอันตราย 10. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรเหล่าอมิตรย่อมย่ำ ย, ยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้ดุดต้นใส่มีรากและย่านงอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ล้มได้ฉะนั้น บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพักษาหานมากมายพหุตัดพักโขได้แก่ได้พิกษามาง่ายคำว่าจากเรือนของตนจากังคราได้แก่จากบ้านของตนอีกอย่างหนึ่งปาถะก็อย่างนี้แหละคำว่าไม่ได้ประทุษร้ายณนะทุพติได้แก่ไม่ประทุษร้ายข้อว่า ย่อมเป็นผู้อันหมูชนในที่นั้นนั้นทั้งหมดบูชาสัพพัทตะปูชิโตโหตินี้พึงพรรณนาด้วยเรื่องพระศิวลีข้อว่าโจรทั้งหลายไม่ขมเหงบุคคลผู้นั้นนาสะโจราประสะหันติความว่าพวกโจรไม่อาจทำการ ข, ข่มขี่คำนี้พึงแสดงด้วยเรื่องสังกิจจะสามเณร ข้อว่ากษัตริย์ก็มิได้ดูมินนาติมันเยติขัตติโยนี้พึงแสดงด้วยเรื่องโชติกะเศรษฐีคำว่าย่อมข้ามพ้นตรติได้แก่ย่อมก้าวล่วงคำว่ามาสู่เรือนของตนสครังเอติความว่าผู้ประทุสร้ายมิตรแม้มาเรือนของตนก็มีจิตหงุดหงิดโกรธมา แต่ผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรนี้ย่อมไม่โกรธมาเรือนของตนคำว่ายินดีปรีดาปฏินันทิ่โตความว่าย่อมกล่าวคุณนักถาของผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรในสถานที่ประชุมของคนเป็นอันมากผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรนั้นย่อมเป็นผู้เบิกบานยินดีด้วยเหตุนั้นข้อว่าสักการะคนอื่นคนอื่นก็จักสักการะตน สักกะตวาสักกโตโหติความว่าสักการะผู้อื่นแล้วแม้ตนเองก็เป็นผู้อันผู้อื่นทั้งหลายสักการะข้อว่าเคารพคนอื่นคนอื่นก็จะเคารพตนคุโหติสัการะโวความว่ามีความเคารพในผู้อื่นทั้งหลายแม้ตนเองก็เป็นผู้อันผู้อื่นทั้งหลายเคารพ ข่อว่าย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณวันณกิติภโตโหติความว่าได้รับยกย่องและสันเสริญคือยกคุณความดีและเสียงสันเสริญเที่ยวเป่าประกาศคำว่าผู้บูชาปูชโกความว่าเป็นผู้บูชามิตรทั้งหลายแม้ตนเองก็ย่อมได้การบูชา คำว่าผู้ไหว้วันทโกความว่าผู้ไหว้กัลยาณมิตรทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมได้ไหว้ตอบในพบใหม่คำว่ายศและเกียรติยะโสกิตติงความว่าย่อมถึงอิสริยยศและบริวารยศและเสียงสรรเสริญคุณความดีพึงกล่าวเรื่องของจิตตะคฤรหบดีด้วยคาถานี้ คำว่าย่อมรุ่งเรืองปัจฉละติความว่าย่อมรุ่งเรืองด้วยอิสริยยศและบริวารยศในข้อว่ามีสิริประจำตัวสิริยาอัชหิโตโหตินี้ควรกล่าวเรื่องของอนาทบินทิกะเศรษฐีคำว่าย่อมได้บริโภคอสนาติได้แก่ย่อมบริโภคใช้สอย คำว่าย่อมได้ที่พึ่งปฏิทถังและพติพึงแสดงด้วยจุละปทุมชาดกคำว่ามีรากและย่านงอกงามวิลลหะมูละสันตานังได้แก่มีรากและยาา่ะะน า, น า, ะยานเจริญในข้อว่าเราอมิตรย่อมย่ำ ย, ยี่ไม่ได้อมิตรตานบปะสันตินี้ พึงกล่าวเรื่องโจรเข้าเรือนของมารดาพระโสนเถระในเรือนตระกูลสุนันทสารธีได้ฟังดังนั้นแม้พระมหาสัตว์ทรงแสดงธรรมด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ก็ยังจําพระองค์ไม่ได้หยุดขุดหลมด้วยคิดว่าคนนี้ใครหนอแล้วลุกขึ้นเดินไปใกล้รถไม่เห็นพระมหาสัตว์และห่อเครื่องประดับทั้งสองอย่าง จึงกลับมาแลดูพระองค์ก็จำพระองค์ได้จึงหมอบลงแทบพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ประคองอัญชลีทูนวิงวอนกล่าวคาถานี้ว่าขอพระองค์เสด็จมาเถิดข้าพระบาทจักนำพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสกลับสู่มเทีนของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จักทรงทาอะไรในป่า ลำดับนั้นพระมหาสัตย์จึงตรัสกับนายสารถีว่าแน่นายสารถีพอทีสำหรับเราด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยญาติและทรัพย์ที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติอธรรมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพอทีอะลังเป็นคำปฏิเสธนายสารถีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรพระองค์เสด็จกลับจากที่นี้ จะทำให้ข้าพระองค์ได้รางวัลเครื่องยินดีเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วพระชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลเครื่องยินดีแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนางสนมกุมารพ่อค้าและพรามเหล่านั้นจะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้ว กองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบแม้เหล่านั้นจะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วชาวชนบทชาวนิคมผู้มีธัญญาหารมากจะประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ารางวัลเครื่องยินดี ปุณณปัตตังได้แก่รางวัลเครื่องยินดีคือของให้ที่น่ายินดีคำว่าจะพระราชทานทัดชุงมความว่าพึงให้รางวัลเครื่องยินดีที่ทำให้ความมุ่งหมายของข้าพระองค์บริบูรณ์ดุดหลังฝนคือรัตนเจ็ดประการฉะนั้นนายสารถีคิดว่าอย่างไรเสีย พระกุมานี้ก็คงเสด็จกลับเพื่ออนุเคราะห์เราจึงได้กล่าวคำนี้คำว่าเวสิยานาแปลว่าข้อค้าคำว่าอุปยา น, านานิแปลว่าเครื่องบรรณาการพระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้ว ชาวเว่นแคว้นชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแล้วเราไม่มีเย่าเรือนของตนพระชนนีทรงอนุญาตเราแล้วพระชนกก็ทรงสละเราจริงๆแล้วเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าปิตุมาตุจะแปลว่าอันพระชนกและพระชนนี คำว่าสละแล้วจัดโตได้แก่สละขาดแล้วแม้ในคำนอกนี้ก็ในนี้เหมือนกันคำว่าพระชนนีมัตยาความว่าแน่นายสารถีเพื่อนรักเราชื่อว่าอันพระชนนีผู้รับพรกำหนดให้ครองราชสมบัติเจ็ดวันทรงอนุญาตแล้วคำว่าสละจริงๆแล้ว สันจัดโตได้แก่จะละแล้วด้วยดีคาว่าบวชปพะชิโตความว่ า, วว า, วาออกเพื่อต้องการบวชอยู่ในป่า